มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยร่วมโครงการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง3จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ตลาดอาเซียนครั้งที่2ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณชพงศ์สังขวาสีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาร่วมโครงการการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง3จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ตลาดอาเซียนครั้งที่2 โดยมีรองอธิบดีกลุ่มเจราจาการค้าระหว่างประเทศคุณดวงอาทิตย์นิติอุทัยให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการทั้งนี้อาจารย์ผนพยมบวรเชษวราลัและอาจารย์พันยศบวรเชษวรารัตอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์นำผลงานที่ประสบความสำเร็จมาแสดงและแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลในการสัมมนา โดยมีอาจารย์บุญรัตน์บุญรัศมีอาจารย์คณะบริหารธุรกิจเป็นวิทยากรร่วมเสวนาในครั้งนี้ณโรงแรมราชมคลาสงขลาเมือมเมรจังหวัดสงขลารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีอดีตผู้ว่าการทพทแสดงความเห็นรัฐบาลดำเนินโนโยบายเอื้อประโยชน์จีนมากกว่าประเทศอื่นยืนยันไทยเป็นมิตรกับทุกประเทศ กรณีหม่อมรัชวงปรีดียาธรเ ท, ทวกุลอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและอดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศ ร, รษฐกิจระบุว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาดําเนินนโยบายเอาใจประเทศจีนมากกว่าประเทศมหามิตรอื่นนั้นนายดอนปรมัตวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวยืนยันว่าไทยเป็นมิตรกับทุกประเทศส่วนจีนนั้นเป็นประเทศสําคัญที่อยู่ใกล้ไทยและมีความสัมพันธ์มาอย่างยาวนานอีกทั้งในระยะหลังนี้โลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันไม่ เพียงแต่จีนเท่านั้นอย่างรวมถึงประเทศญี่ปุ่นประเทศในสาภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศตะวันออกกลางด้วยพร้อมยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหากับความสัมพันธ์ของนานาประเทศขึ้นอยู่กับมุมมองการรับรู้ที่ทุกคนสามารถคิดต่างได้ไม่ใช่เรื่องแปลกยืนยันไทยเป็นมิตรกับทุกประเทศและมีโครงการความร่วมมือกับทุกประเทศเช่นเดียวกันรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธั ญ, ญบุรีคะ่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News u p ัปเดครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี